อัลฮัมดุลิลละพี่น้องที่ร่วมละมาดจะมาสุบฮ์ที่รักทั้งหลายครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานูวตาละที่อัลลอให้เราตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราได้นอนหลับไปาการนอนหลับในเวลากลางคืนนั้นหมายถึงการตายคนที่นอนกับคนที่นอนหลับเนี่ย เหมือนกันนะครับคนตายกับคนนอนหลับเนี่ยเหมือนกันคนฝันดีแล้วก็บางคนก็ฝันไม่ดีในสุสานก็เหมือนกันมีทั้งคนถูกลงโทษและคนไม่ถูกลงโทษคนที่ถูกลงโทษนั้นก็เหมือนกับนอนฝันร้ายส่วนคนที่ไม่ถูกลงโทษก็คือคนที่นอนสบายแล้วก็ฝันดีดี ดูอาที่อ่านมุสลิกีนี่คือดูอาตอนเช้าๆต้องอ่านดูอาบทนี้อัลลอฮุมะบิกะอัลสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนามูตัวอิไลกันมูชูรเนี่ยดูานี่ต้องอ่านทุกคนคนที่เป็นมุสลิมตอนน้องอ่านมีความหมายว่าไง اي? โออัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ ให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่ในตอนเช้าแล้วก็ให้เรามีชีวิตอยู่ในตอนเย็นเย็นแล้วก็ให้เราให้เราเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้เราตายแล้วก็ให้เราฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในโลกอาคิรฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺอัลซุบบิคาลิมาติลลาฮิตามาติมินชริมาคล แปลว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอ์ให้พ้นจากความชั่วด้วยพจนานของอัลลอ์พจนานก็หมายถึงนี้กอกรานของอัลลอฮ์นี่แหละมินชาริมาเขาละความชั่วที่อัลลอ์สร้างมาก็คือพวกสัตว์ ร, ร้ายทั้งหลายหรือว่าเรื่องไม่ดีที่อัลลอ์ให้มาบนโลกนี้ ขอให้เาลาคุ้มครองเราอย่าให้พบกับสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายเมื่อวันที่สิบสามเนี่ยผมถูกงูกัดงูเขียวอะไรนะงูเขียวหางไหม้ทั้งที่อ่านดูอาทนี้นะอ่านเช้าก็อ่านเย็นก็อ่านเนี่ยกัดที่หลังจากไปเยี่ยมท่านจุฬาราชมนลรรีวันอะไรวันที่สิบสามตอนกลางคืนสองทุ่มขึ้น กัดที่หน้าบ้านเนี่ยเป็นงูตัวเล็กๆกำลังเดินอยู่ไม่เห็นไม่ได้ง้องพอกพรภับเขาเสร็จแล้วก็เห็นงูก็มีคนอื่นมาตีแล้วเข้าไปในบ้านไปอาบน้ำน้ำมานก็บอกเอาไปพาไปหาหมอก็ภายในยี่สิบนาทีก็ไปฉีงโรงพยาบาลและห้ำโดยเร็วก็ กำลังรอเฝ้าอาการดูอยู่เพราะว่าอาการมันไม่แสดงออกงูหางไหมเนี่ยหลังจากคุยกับหมอหมอแนะนําบอกว่า <c oughs> มันจะออกไปที่เลือดอ่าพิษของงูเนี่ยจะไปที่เลือดดะนั้นอาการก็คือว่าเลือดจะออกที่ไรฟันเลือดจะออกที่ปัสสาวะเลือดจะออกที่อุจจระ แล้วก็จะวิ่งไปเขาเข้าไในหัวใจก็อินาลิลละก็นอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยสองวันไม่มีอาการสแสดงอัลฮัมดูลิละขอบคุณอัลล a h การดุอาที่อา่านเนี่ยอูซูบิกลิมาติลาฮิตามาติมิชริมาขอลักน่ดูอาขอความคุ้มครองจากอ Allah ให้พ้นจากสัตว์ ร, ร้ายต่างๆ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم ก็ขอความคุ้มครองจากล l l a h เราเข้าใจว่านึกเองนะถ้าเราไม่อ่านดุอานี่เขาหนักกว่านี้ในอ่านอุอายแล้วทำดิล้วกัดเสร็จแล้วก็ไม่มีอันตรายก็ยังไม่รู้ก็รอไปอีกสามวันถึงห้าวันสามวันถึงห้าวันจะดัน การทดสอบจากอนะัลลอฮ์นั้นมีมาตลอดเวลาคือเป็นอย่างนี้บางทีเราทำบาปทำผิดไอความผิดจนะมีโอกาสทำด้ดยกันทุกคนนั่นแหละบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำด้ดยความไม่ตั้งใจในคัมภีร์กรุรอานอะธิบายว่าคนที่ทำบาปโดยไม่ตั้งใจเนี่ยก็ขอว่าต่ออัลลอฮ์ให้อภัยโทษรอบบันาละตูอาคีฟนาอินนาซีนเอาอัคโนา เนี่ยดูอาบทนี้นะโอ้เออรออย่าจะเอาโทษฉันในสิ่งที่ฉันลืมไปทำความผิดด้วยความลืมแต่ทาความผิดด้วยความตั้งใจก็ขอทู อ, า อ, อา้าตอบว่าบางที่ออลอลดโทดสอบเราให้งู ก, กัดเพื่อจะลดโทษแต่าหากว่าโทษมีแต่้าหากว่าโทษไม่มีเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มความดีระวังที่งูกัดอย่าขาดน้ำมา นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องนมาที่ครบหเวลาต้งซิกขุลละต้องอ่านกรัรอ่านแต่หากเราพร้อมอุการแล้วไม่ทําอะไรเลยนอนก็ต้องปฏิบัติเหมือนกับเราคนป่วยต้องต้องต้องนมาทไหมคนป่วยก็ต้องนมาดยืนไม่ได้ก็ให้นั่งนั่งไม่ได้ก็ให้นอนฉะนั้นทั้งหมดเหล่านี้เป็นเรื่องดีทั้งหมดนั่นเราต้องมองแบบแบบท่านนาบีสอน คนมุมินเนี่ยแปลกมากแปลกหมายคามว่าไม่เหมือนคนอื่นไม่ว่าของดีหรือของไม่ดีมาประสบเขาเขาอจบาลีอัมริลมุมินมุมินนี่แปลกมากเรื่องดีและไม่ดีมองเป็นดีหมดเลยนี่ไงอัคลากนิสัยของผู้ศรัทธาต่อร้อนเนี่ยถูกอะไรก็ตามที่กว่าดีไม่ดีก็ดี ไม่ใช่ดีดีไม่ดีไม่ดีนะไม่ใช่ดีก็ดีไม่ดีก็ดีซึ่งคนไม่ใช่มุขบินเนี่ยเขาทําไม่ได้คนที่เป็นมุขบินเท่านั้นแหละดีก็ดีไม่ดีก็ว่าดีอีกเหมือนกันเลยน ะ, อะขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราอ่านคุรานมาถึงอายะที่เจ็ดสิบแปด "قال هذا في رق بيني وبينك سأنبئك بتأويل لما لم ت س ت ط ع عليه صبرا" ตรงนี้แปลว่าอะไรครับ "قال هذا في رق بيني وبينك في รักนี่แปลว่าแยกกันแยกกัน ฮาดาฟิอละฮะดาฟิอรกูเขาคอดิพูดว่าหรือกล่าวว่าฟิโรกูใบนีว่าใบนีกันี่คือการแยกกันนี่ฮาดานี่ฟิโรกูการแยกกันคุณกับฉันเนี่ยต้องแยกกันแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมคอดิษจึงพูด บอกว่ามูซากับฉันเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วรวมไปไหนด้วยกันไม่ได้แล้วต้องแยกกันระหว่างฉันกับท่านต้องแยกกันสาเหตุที่คอเดตพูดกับมูซาเพราะว่าสามเรื่องมาแล้วสามรายการที่คอเดตบอกว่าถ้าเห็นฉันทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจเนี่ยให้ทำอะไร ให้เงียบอยู่เฉยๆไม่ต้องทักไม่ต้องท้วงไม่ต้องตำหนิแต่นาบีมูซาทนไม่ไหวเห็นอะไรผิดต้องอไรนะเตือนนี่เป็นลักษณะต้อการจะอธิบายลักษณะของคนที่มีความรู้ด้านศาสนาเขาเรียกวา่าสัจความรู้ด้านสัจธรรมด้านศาสนานั้นถ้าเห็นคนทำผิดนี่มันอดไม่ได้ อยากจะบอกอยากจะเตือนอย่างลูกผิดแน่นอนต้องต้องต้องต้องเตือนภรรยาทาผิดก็ต้องเตือ น, อออนคนอื่นคนรอบๆตัวทาผิดนี่เตือนหมดนี่เป็นลักษณะของคนที่มีความรู้ด้านศีส น, น, นาท่านนบีมูซาเนี่ยทำเป็นแบบให้เห็นทีนี้เตือนครั้งแรกเนี่ยคอดดิททำอะไรผิด กูอานอธิบายมาแล้วขอย้อนนะฟัมตอลกฮัตตาอีดาร์กีบะฟิสซาฟีนติคลรกอฮากอลอาลัมอัครอตตาลิตุกรีกออาฮลาฮาเมื่อทั้งสองคนหมายถึงคอดิษกับนบีมูซาเนี่ยออกเดินทางจนกระทั่งเมื่อทั้งสองคนลงเรือน้องการว่าลงเรือเนี่ยลงเรือแบบไม่ต้องจ่ายสตังนะที่เรียนมาใช่ไหม เขาให้เรือนั่งเรือฟรีตรงนี้ได้ข้อคิดคนที่มีธุรกิจอะไรก็ตามเนี่ยอย่างธุรกิจมีรถนั่งออกจากหมู่บ้านมิตรภาพไปพระโขนงอย่างเงี้ยบางครัง้งบางคาก็ให้คนนั่งรถฟรีบ้างก็ได้ใช่ไหมเอาความรู้จากอุานิายา น, น้หรือคนที่ขายของขายเป็ดขายไกย่ขายเนื้อที่ร้านขายเนื้อเนี่ย ก็แถมแถมบ้างซื้อมาสองสองกิโลเราเติมไปสักขีดหนึ่งอ่าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นที่ให้เนี่ยให้ให้กันฟรีๆเนี่ยความรู้ที่ได้จากคุณอ่านอัยยานิอ่าเพระนนเรื่องให้ฟรีเนี่ยควรจะมีบ้างจะทำให้การค้าขายของเรานั้นมีบารากะมีความจเจริญนะทีนี้เมื่อทั้งสองคนเนี่ยลงเรือแบบลงเรือฟรีมีเสียสตัง น บ, บีม่ใช่วัวลีขอดิษเจาะเรือพอเจาะเรือปั๊บเนี่ยน บ, บีมูซาขานว่าคุณเจาะเรือทําไมเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในเรือจมน้ํากันนั้นหรือคุณทําเรื่องรายแรงแท้ๆนี่คําติของใครของน บ, บีคอดิษเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอง ใ น, นกุรอานที่ไปฟังทัลละก็เัตุใดจะเลือกี้กุลมามะ فقال له قال أ َ ق َกَ ل َ ن َ ب ْัَ ن ْ زَكِيَةَ بِرَأيِ ن َ ب ْ س ِ ن ทั้งสองคนก็ออกเดินทางไปอีกจนกระทั่งทั้งสองคนไปพบเด็กชายรูปหล่อหน้าตาสวยดีคนหนึ่งยังไม่บรรลุนิติภาะวะคอดี ก, ก็เดินไปหาเด็กคนนั้น เอาหินไปโคกที่ศีรษะเด็กตายพอเด็กตายความนาบีมูซ่าทนไม่ไหวก็พูดว่าไงอกตัลต น, น, นับสันสกิยะจันเบล้อยดีนับสินท่านเนี่ย <c oughs> ไปฆ่าเด็กที่ไร้เดียงสาเด็กที่ยังไม่บรรลุนิตพิภาวว่าโดยเด็กคนนี้นะ่ะไม่ได้ทำผิดหลักการศาสนาเลยแล้วคุณไปฆ่าเขาทำไมคุณทำเรื่องายแรงแช่ นิติเรื่องที่สองต่อมาเรื่องที่สามฟั่มตอเลกอหัตอัตยาอัฮลักรีย์อิสตัตุะมะอัฮล่าฟาอาบูอัยยุดาฟูมะฟาวะจัดฟีฮะจิดารายูริดูอัยยังกบบ์ฟาอาควมะ ขอเล่าอุสุตละตะขสตะไลฮรเรื่องที่สามเมื่อทั้งสองคนเดินทางจนกระทั่งเมื่อทั้งสองพบชาวเมืองเมืองหนึ่งทั้งสองคนจึงขออาหารต้องการจะอธิบายให้เราเข้าใจว่าอายาณนี้นะไม่ใช่เล่าเรื่องอย่างเดียวนะจากอายานี้มีความรู้เพิ่มเติมก็คือว่าแขก ที่มาบ้านเราหรือมาหมู่บ้านเราเนี่ยเราต้องเลี้ยงดูต้องต้อนรับแขกแต่ถ้าหากว่าเจ้าของบ้านทําเฉยๆแขกมาถึงมัสยิดแต่เช้าที่มาหน้ามาทาเฉยเขามีสิทธิท์ขอได้จากอาย่านี้นะก็ขอดิดขอใช่ไหมน่ะบิมุสาขอ แต่ชาวบ้านไม่ไม่ให้การตอนรับฟ้าอาเบาปฏิเสธการตอนรับไออยู่ดอยฟูฮูมาเห็นไหมฉะนั้นการตอนรับแขกในอิสลามนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องมีบราระกะเป็นเรื่องดีมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานูวตาดทีนี้การตอนรับแขกนะบีพูดว่าไงมังกานายุมินุบิลลาฮิวัลิยวมิลอาคร ฟัลยุคริมบอยฟะฮูใครที่ศรัทธาต่อ Allah และศรัทธาต่อ ว, วันอาคิเรามีเงื่อนไขสองข้อนะศรัทธาต่อ Allah จะศรัทธาต่อ ว, วันอาคิเราะฟัลยุคริมเขาต้องให้เกียรติบอยฟะฮูแขกของเข า, า ก, การให้เกียรติแขกนั้นมีรางวัลตอบแทนจตลลอดทาไมเพราะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ไม่ได้สอนให้คนอยู่กับบ้านอย่างเดียว สอนให้มุสลิมเดินทางเอาเดินทางการค่าก็ต้องออกเดินทางเผยแผ่ศาสนา ก, ก็ต้องออกเดินทางก็จะมุสลิมเนี่ยเขาไม่อยู่เฉยๆเขาออกเดินทางจากนั้นปลายทางมีคนดูแลปลายทางมีคนดูแลสกาดรับได้ไหมคนเดินทางเนี่ยคนออกเดินทางไปพบกับความลําบากปลายทางนั้นมีสิทธิ์ได้รับสกาดได้ด้วย ข อ, ขอตั๋วขบวนละบินเนี่ยกลับบ้านได้หมดเลยนี่อิสลามสอนดีมากเลยนะทีนี้เมื่อคอดีตกับมูซาเนี่ยนบีมูซาไม่ไม่ให้การไม่ได้ถูกการต้อนรับจากเจ้าบ้านเนี่ยเจ้าเมืองหรือบ้านเมืองที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยขาออกฟาวาจาดามินฮาดิดารอพบกำแพงเนี่ยกำลังจะลแจะเป็นไงครับยูรีดูไอยังก็บอก กำแพงกำลังจะล่มแล้วฟาอากรมาหูคอเดสเนี่ยช่วยพยุงกำแพงให้มันตั้งให้ตรงพอทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยลบีมูซาตั้มนี่ <c oughs> ทำฟรีๆทำไมทำแล้วก็ต้องได้สตังเป็นค่าตอบแทนตรงนี้มีสองความหมายความหมายหนึ่งต้องการจะบอกเราเข้าไปในเมืองคาไม้อนรับท่านเจอกำแพงปล่อยมันพังไปแล้วแลอีกข้อห น, นึ่งก็คือว่า ท่านสามารถเอาค่าใช้ใจ่ายเอาค่าตอบแทนเอาค่าเหน็ดเหนื่อยอาญานีต้องการจะบอกว่าจ้างคนมาทำงานนะ่ะไม่ผิดอ่ามีจ้างคนมาทำงานผิดไม่ผิดไหมไม่ผิดแล้วเรามีความรู้ประกาศหางานได้ไหมได้ <c oughs> เรากำหนดค่าแรงว่าเราเองได้ไหมได้นี่ไงอารยนแปลว่าค่าค่าค่าค่าแรงนะค่าแรง <c oughs> พอสามเรื่องนี่จบไปแล้วเนี่ยอดิษอดิษทำสามเรื่องแล้วก็นบีมูซาข่านทั้งสามเรื่อง ส, สุดท้ายว่าอย่างไรลันตัสตัตีอามาเอลฟบรอคอดิษพูดบอกว่าท่านไม่สามารถที่จะอดทนร่วมเดินทางกับฉันได้แล้วก็มาถึงข้อายาที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยเจฮาดาฟิโรคู บ, บายนีวะบายนิก เขาคอดิษกล่าวว่านี่คือการแยกกันระหว่างฉันกับท่านก่อนที่จะแยกกันซอนับบิอูกบิตวลีมาลัมตัส ต, ะตัอะอลฮิวบรอบัดนี้ฉันจะแจ้งแก่ท่านนะฉันจะแจ้งให้ท่านรู้นะครับถึงความหมายตะวิแลแปลว่าความหมายมาลัมตัสตัเตาะ ที่ท่านไม่สามารถมีความอดทนในสิ่งนั้นๆสามรายการท่านทนไม่ได้สักเรื่องหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่ฉันทําไปท่านทนไม่ได้ฉันจะแจ้งฉันจะอธิบายฉันเนี่ยเจาะเรือทําไมสองฉันฆ่าเด็กทําไมสมฉันพยุงกําแพงที่มันจะล้มเนี่ยทำไมสามเรื่องนั้น ฉันจะอธิบายสายเหตุให้ท่านฟังมีอุลมามะอธิบายดีหรือมักอธิบายอย่างนี้นบีวะลีคอดิษก็มีความรู้นบีมูซาก็มีความรู้แต่ความรู้ไม่เหมือนกันคอดิษนมีความรู้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องเาเรียกว่าสิ่งที่พ้นพ้นยานวิสยัยซึ่งคนธรรมดาไม่รู้หรอกเช่น ฆ่าเด็กคนนี้เพราะเขารู้อนาคตเด็กคนนี้จะเป็นยังไงพยุงกำแพงเพราะว่าการรื้อกำแพงนั้นมีอันตรายอะไรเรื่องอย่างนี้ก็เป็นความลับที่อัลลอฮฺเผยให้ใหรู้เฉพาะบางคนเท่านั้นเองไม่ใช่หมอดูนะส่วนนบีมูซานมีความรู้ด้านชริยาด้านศาสนานะเพราะฉะนั้นการที่ไปฆ่าเด็กเนี่ยความรู้ด้านชริยาฆ่าเด็กไม่ได้ ฆ่าคนไม่ได้คนที่จะฆ่ามาใช่คนธรรมดาต้องอะไรนะรัฐบาลต้องผู้พิพากษาตัดสินตามกระบวนการของรัฐที่เขาวางกฎเกณฑ์ไว้แล้วอะมาใช่ใครมาฆ่าเองก็ได้มันไม่ใช่ออาทีนี้ความรู้ของคอเดสนะ่ะเป็นความรู้ที่น้อยคนนักที่ ท, ท, ที่ที่จะรู้ส่วนความรู้ของนบีมูซานนี่เขาจะความรู้ด้านศาสนาด้านชริอะนะครับอ้าว คำคาอธิบายคําอธิบายอายะสิ่งแรกก็คือฟิโรกูใบนีวะใบานิกเราเนี่ยแยกออกจากกันการแยกจากกันเนี่ยมีผลบุญตอบแทนจากอ AH ัลลอฮ์ไหมนี่ภาษาฮะดีษนะถามเลยการอยู่ร่วมกันก็มีมีผลบุญนะเราอยู่กับคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้นนอยู่ร่วมกันมีรางวัลตอบแทนจากอ AH ัลลอฮ์ไหมมีแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ จะต้องแยกออกจากการมีผ ล, ละบุญไหมมีฮะ ด, ดีษตรงไหนฉะด้านการคำพูดในการพิมพ์อานทุกคำมีความหมายหมดเลยคำว่าฟิออบุับนีว่าไบานิดการแยกการระหว่างฉันกับท่านมีผ ล, ลบุญตอบแทนจากอลอฮะ ด, ดีษของท่านนาบีม د, ุฮัมมัดบันทึกไวิมามบุคอรีกับมุสลิมบันทึกอย่างนี้ เขาบอกว่าในวันติยามาเนี่ยนะทั่วโลกนะมีคนอยู่เจ็ดจำพวกเท่านั้นแหละที่จะอยู่ใต้ร่มเงาบัลลังก์ของอัลลอฮ์ในวันติยามาคนเหล่านี้รอเข้าสวรรค์อย่างเดียวมีคนอยู่เจ็ดจำพวกเท่านั้นแหละที่จะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์มาถึงอัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รักคนประเภทนี้เนืองตอนอยู่บนดุลยานี้อิม่ามูนาดิล คนที่เป็นผู้นำไม่ใช่อิหมามนำมาดอย่างเดียวนะตั้งแต่นั่นแหละคิงเรื่อยลงมาถึงอะไรนะอะไรนะตั้งแต่ผุลักู ย, ยัยคนที่มีอำนาจการปกครองแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าอิหมามุนอาดิลอิหมามที่ซื่อที่ซื่ อ, อตรงยุติธรรมตัดสินความต้องตรงไปตรงมาตรงยุติธรรมอย่าเข้าข้างนู้นข้างนี้อัลลอฮฺให้อยู่ใน ใต้ร่มเงาของอัลลอฮ์ในวันเตียมะประเภทที่สองมิทั้งหมดเจดนะชาบุลนาชาฟีอิบะดิลลัฮิอัลจาวะจันนี่เด็กหนุ่มๆอย่างพวกเธอการเรียนศาสนาประมเนี่ยหรือเด็กนักเรียนทั่ ว, วไปทั่วโลกเน่ยที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับการพักดีต่ออัลลอฮ์เนี่ยเด็กเรียนที่อยู่หอพักเนี่ยกินอาหารเป็นเวลาถือศีลอดในวันจันทร์ลุกขึ้นนมาซูบอุลุกขึ้นนมาแต่หัดยดอ่านอลกรุรอานที่รุลลอ นี่คือเด็กหนุ่มที่ชายชีวิตเจริญเติบโตอยู่กับการพักดีต่ออัลลอ์ลองตายดูสิโอโฮไปอยู่ใต้ร่มงามของอัลลอไ์นใต้บัลลังอัลลอ์ในวันตียะมะนี่ประเภทที่สองประเภทที่สามร้จยูลุนกอลบูฮูมุอาละกุนบิลมสาจิตชายหรือบุรุษที่หัวใจของเขาผูกพันกับมัสยิดอาชีพก็มีอาชีพกันไปแต่ว่า ทุกครั้งเมื่อได้เวลานมาดใจจะนึกถึงมัสยิดเนี่ยเป็นประเภทนี้ยประเภทที่สามจะอยู่ใต้ร่มเ ง, งาของอัลลอ์ในวันเตียมะประเภทที่สี่ราอยูละนิตฮ่าบาฟิลาชายสองคนที่รักกันเพื่ออัลลอ์รวมไปถึงสามีภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยการรักกันเพื่ออัลลอ์ถ้าจะแยกออกจากกันวาตาฟรรโกอัลไลฮี แยกออกจากการก็เพื่อเอาลาอ้าสามีภรรยาเนี่ย Marine อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องเลิกกันทั้งทั้งที่อยู่กันมาหลายปีแล้วลูกก็มีคนสองคนหรือตอนใหม่ๆเนี่ยมันดีเนาะนาฎก็ดีอะไรก็ดีพออยู่ไปยอยู่ไปชักเพีย้ยนไงใหม่นมาฎอาจจะเป็นสามีหรือไม่ก็เป็นภรรยาเตือนแล้วอบรมแล้วบอกแล้วไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเราต้องเลิกกันเราต้อง แยกออกจากกันนะเหมือนกันคอดดตกับมูซาก็เหมือนกันผิดสัญญาต้องสามเรื่องคอดดตว่าฉันอยู่กับเธอไม่ได้ไอ้แยกกันแบบนี้เขาจะว่าแยกกันโดยดีใช่ไหมมาแต่ทะเลาะกันแต่ว่าอยู่ร่วมวงกันไม่ได้เพราะว่าอะไรสัญญากันไว้อย่าท้วงนะอย่าถามนะอย่าติงนะทนไม่ได้เลยต้องเลิกกันนี่ไอ้เลิกกันแบบนี้อย่ากันแบบนี้ แยกออกจากกันแบบนี้มีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยพอตายไปแต่เข้าสวรรค์ทั้งสองคนเลยต่อมาข้อที่ห้าราอยูลุนดาอตุอิมราตุลจาตฮุสนินวะจามาลินฟะกอลาอินนีอะคอฟุลลอฮข้อที่ห้าเนี่ยทำยากมีผู้หญิงสวยรวยสวยด้วยรวยด้วยนะมาจีบผู้ชายมาจีบมุสลิมนี่แหละบอกว่า ไปทำบาปกับฉันไม่ล่ะฉันมีรถมาขับมาจอรอได้ไปไหมแล้วผู้ชาคนนี้บอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฉันกลัวอัลลอ์ฉันไปทำบาปกว่าคุณไม่ได้เนี่ยคนประเภทนี้เนะี่ยถ้ามีอยู่ในโลกนะเท่าไรก็ตามจะจะอยู่ใต้ร่มเงาของอัลลอ์ในวันเตียมะทั้งหมดเลยอัลฮัมดุลิลละนี่ข้อที่ห้าข้อที่หกวรอยูรุนตะซดตะกอบิซดะกอตินฟะอคฟา ชายคนหนึ่งที่บริจาคทรัพย์ของเขารีสกีของเขาที่อัลลอฮฺให้นี่นะด้วยมือขวามือซ้ายไม่รู้อธิบายยังไงไม่อะไรไม่โฆษณาให้มือขวามือซ้ายไม่รู้นี่อธิบายยังไงนะไม่โฆษณาไม่ประกาศประชาบริจาคนะอย่างอย่าบริจาคหมื่นนึงอนะ่ะมาในงานก็ให้เงียบเงียบก็ได้นะ แต่อาจไปขึ้นเวทีพูดฉันบริชาขมือนหนึ่งทันยิมา ม, มารับหนอยอัลลอฮ์อักบาร์าณาาเนียดไม่ดีอัลลอฮ์ไม่รับไม่ให้รางวัลแท่ตั้งใจดีดีไหมดีไม่มีปัญหานี่ข้อที่หกนะข้อที่เจนี่หายากรอจุลุนจา ก, จากรลฮ์ฮะขอลียนฟะฟอดไอ น, ไนาบุรุษหรือชายคนที่นึกถึงอัลลอ์ นึกถึงอัลลอฮ์ตอนอยู่คนเดียวอยู่ลำพังแล้วก็ฝาฝ้าดอดไอนาูแล้วก็ร้องไห้น้ำตาเนี่ยมาไหลนึกถึงความผิดของตัวเองในอดีตฉะนั้นคนที่ทำผิดเนี่ยอัลลอฮ์ชมเหมือนกันนะคอยรุออค อ, รอบตออูนคอยรุคอบตอยินคนที่ดีที่สุดก็คือคนที่ทำผิดผิดแล้วสานึกผิดเต้าบาตัวตออัลลอ์ นั่นแหละเป็นคนผิดที่ดีที่สุดแค่นั้นคนจะรอ้องไห้เพราะความผิดของตัวเองมันต้องมีความผิดถ้าไม่ผิดอะไรเลยนะ่ร้องไห้ไม่ออกจะร้องอยังไงอ่ะแต่ถ้าผิดแล้วก็ร้องไห้นี่แหละเป็นคนผิดที่ดีแค่นั้นเจ็ดจำพวกเนี่ยเจ็ดกลุ่มนี่แหละที่ยน์อยู่โลกดุญญนยาใบนี้ที่ต้องการจะให้ความรู้กับเพิ่มเพิ่มเติมกับพวกเรานะอ่านตัวล้มว่าฟริรอกูไบเนียว่าไบเนก ขดิดพูดกับมูซาบอกว่าเราฉันกับท่านนะสองคนเนี่ยแยกกันนะพรออยู่ด้วยกันไม่ได้ฉะทั้งการแยกจากการเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ถ้าจะอยู่ก็มีรางวัลตอบแทนจากอาลัลลอฮ์ฉะนั้นแยกออกจากกันรวมไปถึงพวกเราเนี่ยที่เป็นสามีภรรยากันวันเนี้ยถ้าจะอยู่ด้วยกันก็ต้องอยู่เพื่ออลัลลอฮ์นะเอ้าต่อมาครับ ซาอูนับบิุกับบิตาอวิลีมาลัมตัสต์ต์ติอัลไลฮิซบรอฉันจะแจ้งให้ท่านถึงความหมายที่ท่านไม่สามารถมีความอดทนในสิ่งนั้นข้อแรกที่ไปเจอเรือนะ่ะเจอเรือทำไมอายาที่79็ดสิบเก้าอัมมาซาฟินาตูฟาการัตลีมาซาคินซาฟนาในแปลว่าเรือ เรือใหญ่ๆนะมันจะเยอะเล็กๆพอเรือใหญ่ๆอามาซาฟีนะแท้จริงในส่วนเรือนั้นฟากานาตลิมาซากีนมันเป็นเรือของคนขัดสนมาซากีนเจ้าของเรือเนี่ยเป็นคนมิสกรีนนะยะอมาลูนาฟิลบาฮารีทำงานในท้องทะเล บารูนแปลว่ามหาสมุทรนะแม่น้าใหญ่นะทำในท้องทะเลฟะอารอดตอันไอบาาแล้วฉันตั้งใจอารอดตู้แปลว่าฉันตั้งใจอันอูอันไอบาาตั้งใจอะไรที่จะทำให้มันไอบอแปลว่ามีตาหนิ ฉันต้องการที่จะทาให้เรือนี้มีตัมนิต้องการที่จะทำให้เรือนี้เสียหายอายบาห์นะครับฟะอรอตุอันอายบาหฉันต้องการที่จะทำให้เรือนานี้เสียหายมีตัมนิสาเหตุที่ทำเพราะอะไรฟะก้านอวรออาฮุมวารอแปลว่าข้างหลัง วากานาวโรอาหุมมาลิกุลเพราะข้างหลังคือข้างหลังเนี่ยหมายถึงข้างหน้านี่นะพวกเขาข้างหลังพวกเขานั้นมีกษัตริย์มาลิกแปลว่าคิงมีกษัตริย์มีผู้ปกครองที่อะไรโหดร้ายโหดร้ายนี่ไม่มีหรอกแต่สรุปจากกุรอานแปลว่าใจโหดร้ายมาลิกุลแปลว่ากษัตริย์ยะฮุู กุลลาสฟีนัินรอสบามีกษัตริย์อยู่อ ง, งค์หนึ่งยะคุรุแปลว่าเอาหรือยึดยึดอะไรยึดเรือกุลลาสฟีนะยึดเรือทุกลำที่ดีๆโดยอะไรรอสบาโดยใช้อำนาจสาเหตุที่ฉันต้องเจาะเรือลำนี้ให้เป็นตำหนิ แล้วก็ท่านค้านเนี่ยฉันจะเฉลยให้เพราะว่าเรือลานี้เป็นเรือของคนยากจนคนหนึ่งอาจจะรวมเรือซื้อกันก็ได้เป็นคนจนๆมาซาคิมาถึงคนจนๆนี่รวมทุนกันซื้อเรือลานี้เสร็จแล้วก็กษัตริย์เนี่ยมันจ้องอยู่ถ้าหากไปตรวจเรือลาใดที่วิ่งในมหาสมุทรเนี่ยที่ทำมาหากินอยู่ในเรือเนี่ย หากไปเจอเรือที่ไม่มีตำหนิเลยยึดเลยฉะนั้นฉันเลยทำให้เรือนี้มีตำหนิเพื่อไม่ให้กษัตริย์องค์โหดร้ายเนี่ยมายึดเรือลำทุกลำที่ยึดแบบใช้อำนาจใช้ทหารใช้พวกมายึดไปเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์นะที่คอดิส์อธิบายให้ฟังเอาต่อมาครับคำอธิบายของ ของของตับซีตอัยยานี อ, อนธิบายดีนะอธิบายอย่างนี้เขาบอกว่าตีละอินนาหูไอตามเรือเนี่ยเป็นเป็นของเด็กกำพร้าค <c oughs> ําว่ามาซากีนเนี่ยบางบางตับซีตอธิบายว่าเป็นเรือของเด็กกำพร้า <c oughs> เป็นเรือของเด็กกำพร้าเพราะฉะนั้นอ่ะใครที่เป็นเด็กกำพร้านี่นะเลาล้อเมตตาเยอะนะในขนาดเรือเจ้าของเรือเป็นเด็กกำพร้า ขนาดเรือจะถูกยึดเนี่ยอัลลอฮ์ยังคุ้มครองส่งนบีคอดีตมามาทําอะไรนะมาเจาะเรือให้เป็นตําหนิอ่อาเพื่อกษัตริย์จะไม่ได้ยึดเรือนั่นมาเป็นของกษัตริย์เองขอบคุณอัลลอฮ์สุฮาห์นั่นแหละพอจะคุ้มครองอะไรคุ้มครองคนยากคนจนคุ้มครองเดถกกำพร้าฉะนั้นใครก็ตามที่เข้าไปดูแลคนยากคนจน คนที่ด้ยโอกาสกับเราเนี่นะใครไปดูแลเขาอัลลอฮเมตตาคนประเภทนั้นเราจะดูแลจะคุ้มคุ้มครองอ้าวนึกถึงใครนึกถึงท่านอบูบักระเดียลล้า ว, วานุตอนเป็นคอลิฟ้านี่เล่าประกอบนะตอนเป็นคอลิฟ้าเนี่ยเป็นคอลิฟ้าอยู่กี่ปีสองปีกว่าสองสาเดือนเนี่ยตอนเช้าๆหลังนะมาซูโ บ, บจบแล้วเนี่ย พอ ส, สุโบสถจบภาพท่านอบูบากหายหน้าไปเลยมีคนก็สังเกตว่าไอ้ท่านหายหายหน้าไปไหนไซนาอุมารเนี่ยเดินตามดูท่านไปกวาดบ้านคนตาบอดคนหนึ่งไปกวาดกวาดกวาดกวาดกวา ด, วาดเสร็จแล้วก็ไปรีดนมแพะเอานมแพะมาวางไว้ให้คนตาบอดแล้วก็เอาน้าเนี่ยมาวางไว้ให้เขาได้อาบน้าอาบน้ำน้ำมาก พอท่านอบูบักเนี่ยเดินออกไซนาอุมารก็เดินเข้าไปถามบอกรู้เปล่าใครอ่ะที่มากวาบบ้านให้ท่านแล้วก็รีดนมแพะให้แล้วก็ตักน้าให้อ่ะบอกไม่รู้มาอย่างนี้ทุกวันเลยพระทำทุกวันทุกวันเดือนไซ น, นาอุมารก็ตกใจโอ้โหนี่เขาความดีไม่ต้องไม่ต้องบอกให้ใครรู้ฉะนั้นการดูแลคนยากคนจนเนี่ย ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะถึงได้เล่าเรื่องเด็กกำพร้าคนยากคนจนใช่ไหมเนี่ยการดูแลคนยากคนจนคนด้อย่อกาสมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เยอะมากเลยนะครับเอาต่อมาครับอาจจะที่แปสิบว่าอัมมัลกูลามุฟักะน้าบาวฮุมุมีนัยน فخشينا أيور هقهما تغيان وكفر واملعولام عولام แปลว่าอะไรเด็กอ่าสวนเด็กที่คอดเด็กฆ่าเนี่ยหน้าตาหล่อชื่ออะไรนะชื่อยาซูรหน้าตาหล่อใช่ไหมเราเด็กยังไม่บรรลุนิติเพราะว่ากำลังเล่นๆกันอยู่นะ่ะขอดเด็กเดินไปจับเด็กเอาหินข้อหัว ตกรตายเนี่ยคำอธิบายเป็นอย่างนี้ว่าอัมมัลกูลามสุวรเด็กเล็กคนนั้นเนี่ยนะฟากานาอบาวาหุพ่อแม่ของเขาเป็นผู้มุมินไนนี่เป็นผู้ศรัทธาทั้งสองคนโอัลลอฮ์ใหไหมพ่อดีแม่ดีอัลลอ์คุ้มครองขนาดไหน แม่ดีพ่อดีอัลลอฮ์พ่อ ด, อดีหมายถึงพ่อที่เป็นมุมินแต่มุมินอธิบายยังไงอ่ะอัลลอฮ์มุมินอธิบายชัดหนึ่ง إيمان ต่ออัลลอฮ์ إيمان ต่อมัลอิกะอีมานต่อคำพีอีมานต่อวันอาคิเราะอีมานต่อกฎกฏล้อกฏดัดดด้ของอัลลอฮ์เนี่ยอีมานหกข้อนี่ยนะเป็นองค์การพยายามอะไรนะเขา้าใจให้มันลึกซึ้งอ่ะนะเอา إيمان หกข้อเอาไว้ในใจ เอาสมข้อเอาไว้ในใจอีมานต่ออัลลอฮ์อีมันต่อมัลลิกะอีมันต่อกดด อ, อกก็ดั้งของอัลลอฮ์เนี่ยเอาไว้ในใจและอีสามข้อเนี่ยอีมานต่อรอซูลอีมันต่อคามพีอีมานต่ลตตโลอะคุรอะเอาไว้ข้างหน้าสามอยู่ในใจสามอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เดินตามอย่างเกิดแผ่นดินไหวไวอยวายอย่างงูกัดอย่างงูกัดนี่น إيمان ต่อกฎกอดากดัดเนี่ยต้องโวยวายไหมไม่ต้องโวยวายอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วเราจะต้องตายในสภาพนี้จะต้องถูกถูกอะไรนะถูก อ, อะไรถู ก, ถกภัยพิบัติแบบนี้รถชนกันแบบนี้ถ้าเรานึกถึงกอดัดข้อที่หกอีมานข้อที่หกเนี่ยเราจะไม่โวยวายโอ้มาจากอัลลอฮ์ ดีไม่ดีกล่าวได้อีกอัลฮัมดุลิลละขอบคุณอล l l a h อ a l l ยังคิดถึงฉันนะเนี่ยให้งู ก, กัดอัลฮัมดุลิลละอินนาลิลละวะอินนาอิลัยราจัอุนอัลลอฮุมะจุรนีฟิมุซิบติวัคลิฟลีขายร์มมินฮะต้องขอดูอัลฮะตอลาตทีนี้อัลุนานะนบีวางไวขง้ข้างหน้าคำว่ารู้สุนหมายถึงสุนานะนบีจะทาอะไรนึกถึงสุนานะนบีอาจจะเข้าบ้านนึกถึงสุนานะนบีทาไง ให้อ่านดูอ่านก่อนอัลลอฮฺอินนิอัสลุกะข้าร์ล์มาลัจีวะข้าร์ลมาค์โคลจีบิสมิลลาฮิวะลาจนาวะบิสมิลลาฮิคาราจนาวะอัลลอฮฺราบบานะตะวักกะนาอัสสลามุอะลัยกุบนี่ดูอาเขาบ้างอ้าจะขึ้นรถอาซุน่นบีวะไว้ข้างหน้าเข้าใจไบิสมิลลาฮิบิสมิลลาฮิบิสมิลลาฮิอัลลอฮฺกัลเบอัลลอฮัซุบฮานลลอฮซัครลนฮ ว่ามาคุณนาเล่าูมุกรรนินว่าอินนาอิละรอบบินาละมุ่งกอลิบูตอัลสุนนะนบีว่าไปข้างหน้าถ้ามุสลิมมุมินผู้ศรัทธาเนี่ยเข้าใจเรื่องอีมานหข้อเนี่ยนะเราก็วางระดับให้ดีนะอิชาอัลลอฮ์อะไรที่เกิดขึ้นบนโลกดุนยาแบนี้ดีทั้งหมดเลยอยู่นีนอันทีนี้อัลลอฮ์เล่าเองนะบอกว่านบีคอเดตอธิบายว่าอัมมัลกูลัม สวุวนเด็กที่ขอดีดข้านั้นเพราะฟาก้านาอาบาวาหูเพราะพ่อแม่ของเขาทั้งสองเป็นผู้ศรัทธามุมินายนี่เป็นผู้ศรัทธาทั้งสองฟากอชีนาเรากลัวนบีวะลีขอดีศพูดด้วยความมั่นใจเลยนะฟากอชีนาเรากลัวอายุฮิโกหูมา ที่ทั้งสองคนนั้นกลัวว่าเด็กนี่นะจะอะไรนะยุทธิก็แปลว่าเขี้ยวเข็นกลัวว่าเด็กเด็กที่ฉันฆ่าเนี่ยถ้าฉันปล่อยเขาไว้ี่นะไม่ฆ่าเขานี่นะเด็กคนนี้แหละจะเขี่ยวเข็นจะบังคับให้พ่อของเขาทั้งสองเนี่ยตกอยู่ในการละเมิดขอบเขตตู้กรยานั้น ตุรยานไปวละเมิดขอบเขลูกของเขาคนนี้ที่วันหน้าตาหล่อเนี่ยนะที่ฉันฆ่าเนี่ยนะเพราะฉันกลัวว่าถ้าเขาโตเป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนี้แหละจะบังคับพ่อแม่ที่เป็นมุมินพ่อแม่ที่มีศาสนานี้กลายเป็นพ่อแม่ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ได้ฉันก็เลยทำลายข้าฆ่าเขาวากูฟรอมีสองวักนะ ตุกยานั้นวักกูฟรอตุกยานแปลว่าละเมิดขอบเขตทำอะไรเนี่ยคือมาถึงความชั่วนะทำบาปทำบาปทาบาปทาบาปลูกบังคับลูกคนนี้ถ้าทำไม่ตายนะมันจะบังคับพ่อแม่ให้ให้ทำบาปทำบาปทำบาปทาบาปวักกูฟรอนแล้วก็ทรบังคับให้พ่อแม่ทรยศต่ออลลฮ์สุบฮานะหูวาสองเรื่องตุกยานั้นวักกูฟรอเห็นยัง แสดงว่าพ่อแม่เนี่ยทําไมพ่อแม่กส่วนใหญ่กับลูกเนี่ยส่วนใหญ่พ่อแม่เชื่อลูกอยิงลูกเรียนจบมาเนี่ยก็ต้องเชื่อแ ล, ล้วล้อดบังงกิพ่อเขได้ได้ได้ได้ไดไมีเหตุผลหน่อยอะไรหน่อยยุบกูอ่ آن, านโยคะดิสมาเนี่ยเชื่อมดุดที่แต่หาว่าลูกดีมันก็พาไปสวรรค์ถ้าลูกไม่ดีพาไปนรกฉะนั้นคอเดทเนี่ยข่าจัดการ ครับตับซีดอธิบายดีนะตับซีดอธิบายบอกว่าท่านอิบนาอับบัสท่านกาบิบนี่อุบายยิบนี่กาบินเอามาจากท่านนาบีนะบอกว่า ir, อัลกูลามอัลลอฮกอตาลฮูลขอดเด็กที่วะลีคอดิด็กข้าเนี่ยนะเพราะว่า ที่หัวใจของเด็กคนนี้เนี่นะเป็นหัวใจที่ทรยศต่ออัลลอฮ์โอ้เนี่ยเขารู้ไอ้ความลับอย่างนี้น่ไอ้รู้อย่างนี้น่ะอัลลอฮ์ให้บ้างน้อยคนมากที่รู้ส่วนใหญ่อัลลอฮ์จะให้รู้เฉพาะผู้ที่เป็นนบีเท่านั้นแหละนะที่หัวใจของเด็กคนนี้น่นะมีกุฟรุนมีหัวใจที่ทรยศต่ออัลลอฮ์สุภานะหัวใจะ l l a h ลูกมีส่วนที่จะทำให้พ่อแม่เป็นคนทรยศเป็นกาเฟสได้ท่านกอตาดาได้อธิบายตักซิดอายานนี้ว่าท่านกอตาดาพูดบอกว่ากอดฟาดิฮาบิฮิอบาวาหูไฮนาวูลิดาพ่อนี่นะพ่อแม่สองสองคนนี่นะดีใจเมื่อตอนลูกคนนี้คลอดออกมา ดีใจมากเมื่อลูกคนนี้คลอดออกมาวาฮาซีนาอะไลฮีไฮนักูติลาแล้วก็พ่อแม่สองคนนี่เสียใจมากเมื่อลูกคนนี้ถูกฆ่าตายนะครับวาลาอบัติยาลากานาฟีฮิฮาลากิีมาถ้าหากว่าลูกชายคนนี้มีชีวิตอยู่ไม่ตา ย, ยนะจะทำให้พ่อแม่สองคนนั้นเสียหายเป็นชาวนรกก็ได้ เพราะฉะนั้นท่านกตตาดาพูดนะฟันย่อดีพี่น้องทั้งหลายอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านเนี่ยขอให้ท่านพอใจฟันย่อดีบีกอบอออินแล้วเนี่ยการที่คอดีดมาฆ่าตาเนี่ยนี่แสดงอัลลอฮ์ส่สงมานะอัลลอฮ์ส่งมาฆ่าลูกของเราตายาการที่ลูกตายนั้น เป็นไปตามกฎกรอกรดัษที่อัลลอห์วางไว้อาบางทีคนมาจับลูกเราไปใช่แล้วก็ฆ่าตายอีกสามวันเอาลูกส่งมาใช่ไหมเราไม่รู้อ่ะฉะนั้นนี่เป็นกรอกรดัษเป็นตักดีตของอัลลอ์ทั้งหมดไม่มีอะไรบนโลกดุนยาเบ น, นี้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเรื่องบังเอิญไม่มีฉะนั้ น, นอัดนี้นี่อธิบายดีอธิบาย ตับสิดอาญาเนี่บอกว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของท่านหรือกับท่านนั้นท่านต้องพอใจฟาอินนากอ บ, บออัลลอฮ์แท้จริงกดกําหนดสภาวะของอัลลอฮ์ลิลมุมินแก่ผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นอะไรที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ท่านไม่ชอบอเช่นลูกตายรถชนกันหรือว่าภรรยาตาย เรียกว่าบ้านไฟไหม้หรือถูกงูกัดอย่างงี้3สามสอย่างนี่ น, นะทั้งหมดเหล่านั้นนี่นะเป็นเรื่องดีในอนาคตที่ให้เกิดเรื่องวันนี้เป็นเรื่องไม่ดีนะแต่อีกสี่วันห้าวันเดือนหน้าปีหน้าของดีจะตามมากับคนที่มีปัญหาเดืยวรอนฉะนั้นกอนอกรดัชที่อัลลอฮ์กำหนดไว้นะเป็นเรื่องดีทั้งหมดในกุ่อ่านอธิบายอีกนะ อาซาอันตักรวะหูชชยอันวะหูวะคอยรุลละกุมบางทีสิ่งที่เราไม่ชอบเรื่องมันเกิดขึ้นกับเรานะ่ะแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมเราไม่ชอบคุณอ่านว่าไงนะวะคอยรุลละกุมดีมันเป็นของดีกหรับท่านแต่ท่านนึกไม่ถึงทนะ่านอะไรที่เกิดขึ้นเรื่องไม่ดีไม่ดีกับเรานะมันเป็นของดีเอากุณอ่านนี้มากํากับชีวิตอีกข้ดีหนึ่ง เป็นคดีของอิหม่ามบุคอรีล لا ي กดิ ا ล ل ه لِمُؤْمِنِينَ قَبْآءَ إِلَّا كَأَنَّ خ َ ي ออาาลลิ่งใดที่อัลลอ์ตัดสินหรือว่ากดอกดกรดัที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามที่เกิดขึ้นกับมุขมินนะมันจะคนตัวทั่วไปนะเฉพาะคนที่เป็นมุมินนั้นอัลลอ์ให้ความดีแอบแฝงอยู่ในนั้นขอยกตัวอย่างมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่ง เรื่องนี้มันเรื่องจริงเกิดขึ้น่ในซาอุดีนะะี่แหละมีเครื่องบินอยู่ลำหนึ่งมีผู้โดยสารอยู่คือขึ้นเครื่องบินเนเยอะแต่มีอยู่คนหนึ่งนะมาถึงก็มานั่งที่สนามบินจะขึ้นเครื่องบินลำนี้แหละเพราะมานั่งสนามบินหลับเขาเขาก็เรียกชื่อ น, นี้ชื่อ น, นี้ขึ้นเครื่องบินได้แล้วเนี่ยกครบินจะออกแล้วหลับเรียกทรายเครื่องไมตื่นหลับ เคบินก็ออกไปพอเครื่องบินออกตื่นขึ้นมาเสียใจอะ่ะโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอันนี้ก็ อ, อยู่สักพักหนึ่งเขาก็าประกาศเครื่องบินจะขึ้นเบอร์มิงแฮมกตก <c oughs> คนนี้ยิ้มออกอะ่ะอัลฮัมดุลิลลาทำไมฉันนอนหลับไม่มีใครปลุกฉันโวยวายอะ่ะเขาประกาศเครื่องบินจะขึ้นเบอร์มิงแฮมกิตกท่านรอดอยู่คนเดียว เห็นไหมอันนั้นอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นกับเรามันเป็นของดีทั้งหมดขอให้เราอีมานต่ออัลลอฮ์สุฟาห์นะฮูอะตาแล้วแค่นั้นไม่มีอะไรไม่ดีบนโลกดุญญนยาแบบนี้นะครับอาวายาสุดท้ายนะครับฟาอรอดนาไอฟะอรอดนาไอยุบัดดิลาหูมะอยาอันยุบัดดิล น, นะไอยุบัดดิล ف أ ر َ د ن ا أي يبدي لهما ربهما خيرا ف أ ر َ د ن ا أي يبدي لهما ربهما خيرا منه زكاة و َ ق ر ب ر ح م ا رحمة เนี่ยอัปั้งชื่อลูกหลานดีรหมา รวหมานี่แปลว่าอะไรนะแปลว่าความเมตตาธรรมความสงสารรวมานะรวมารวมาฟะอาลดะนาดังนั้นเราปรารถนาอยุบดีลาหูมา พระผู้อภิบาลของเขาทั้งสองจะทรงเปลี่ยนยุบดีล่าแปลว่าเปลี่ยนหมายความว่าค่าลูกคนนี้เพื่อให้อัลลอ์เนี่ยได้เปลี่ยนลูกที่มาใหม่ลูกคนนี้เสียชีวิตไปแล้วก็อัลลอ์ก็ส่งลูกมาใหม่อีกเพิ่มมาอีกค่อยรอมมินหุ ด, ดีกว่าลูกที่ตาย ตรงนี้ต้องการสอนนะลูกตายเป็นกรดกรดัของอัลลออย่าไปเสียใจอย่าไปโวยโวายลูกที่ตายนี่จาเป็นลูกผู้หญิงนะช่วยเราได้ในวันกิยมามาเนะี่ยไปยืนอยู่ที่ปากประตูกูโบนไอปากประตูสวรรค์นรกปากประตูนรกที่ผมเล่าท่านพี่น้องฟังมีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะมีอยู่ครอบครัวหนึ่งอะ่ะครอบครัวนี้มีลูกผู้หญิงหมดเลย กี่คนหกคนสามีบอกว่านี่เธอถ้าหากว่าเธอคออลูกคนที่เจ็ดเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงนี่นะเราเลิกกันฉันต้องการลูกผู้ชายเมียก็ถามว่าคนที่ให้ลูกกับเราเนี่ยฉันพี่หรือว่าลอกำหนดเพศเนี่ยใครกำหนดอะนรอย่าพูดมากเลยถ้าหาคขอลูกเป็นผู้หญิงอะ เลิกตะลักยาเอาละเมตตาครอบครัวนี้นะพอตกกลางคืนให้สามี น, ะนอนฝันนอนฝันบอกว่าวันกิยามะเกิดพอกิยามะเกิดเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกตัดสินให้ลงนรกตอนที่มาลัยก้าหิ้วปีไปที่นรกนรกมีอายุเจ็ดขุมนะ ไปประตูนรกขุมที่หนึ่งมาเลก้าหิวไปเจอลูกสาวคนที่หนึ่งยืนอยู่ที่ปากประตูนรกห้ามบเอาพ่อจะไปไหนเอาออกเอาออกเอาหิวมาประตูที่สองเจอลูกสาวคนที่สองประตูนรกที่สามเจอลูกสาวคนที่สามประตูนรกที่สี่เจอลูกสาวคนที่สี่จนกระทั่งหกหกบานใช่ไหมน่ะพอจะเข้าบานบานที่เจ็ดลูกฉันมีหกคนอีกคนหนึ่งไม่มี กลัวในในฝันนะี่กลัวอย่างแรงเลยยาอัลลอ์กลัวมากตกใจตื่นพอตกใจตื่นกําลังมื ม, มัวตานะยกมือเลยยาอัลลอฮ์อัลลอฮฺประจุนัสซาบิอโอ้อัลลอประทาริสกีลูกคนที่เจ็ดที่เป็นผู้หญิงโดยเธอเพรามื่วานในดามีเอาไว้อ่ะยาอัลลอฮ์ถ้าหากวดได้ลูกคนที่เจ็ดชั้นก็เธอเลิกกัน แต่ตอนดึกๆตื่นขึ้นมาอัลลอฮุมะดุซุกนะซาเนี่ยอัลลอ์ลูกผู้หญิงเป็นคนที่เจ็ ด, ด้วยเธอเพราะตัวเองจะต้องตกนรกลูกผู้หญิงคุมของได้นี่เรื่องเล่านะมาใช่ในหะดิษ น, น, น, นบีนะฉะนั้นต้องการจะให้ข้อคิดจากเราก็คือว่าเรื่องลูกผู้หญิงอัลลอฮ์กำหนดลูกผู้ชายอัลลอฮ์กำหนดบางครอบครัวมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายใครกาหนดอัลลอฮ์กหนด บางครอบครัวไม่มีทั้งลูกผู้หญิงและผู้ชายอัลลอฮ์กำหนดเหมือนกันอัลลอฮ์สงนบีคอดิสมาเพื่อจะมาฆ่าเด็กคนหนึง่งเราก็จะต้องน้อมรับอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีนบีคอดิสก็ได้วันนี้ใช่ไหมให้ลูกเราตายเราก็หนักนึกเลยขอบคุณอัลลอฮ์บางทีลูกนี่อาจจะทำให้เราเสียหายเป็นคนไม่ดีก็ได้ต้องนึกตรงนี้ด้วยนะนะครับ ฟาอรรดนาอยยูบดิลหุมารับบุหุมาคอยรอมมิหุ z a กาตาวะอักอรบะรุหมาดังนั้นเราปรารถนาให้พระผู้อภิบาลของทั้งสองจะทรงโปรดเปลี่ยนให้แก่ทั้งสองลูกที่ดีกว่าเขากับลูกคนแรกที่ตายไปเนี่ยส่งลูกใหม่ที่ดีกว่าในความ สกัดสกัดแปลว่าบริสุทธิ์นี่จ่ายสกัดเนี่ยนึกถึงสกัดเนาะสกัดเนี่ยแปลว่าบริสุทธิ์สกัดแปลว่าสะอาดสกัดแปลว่าเพิ่มเติมเพิ่มพูนดังนั้นคนที่จ่ายสกัดเนี่ยนะทำให้เงินของเขาสะอาดทําให้หัวใจของเขาสะอาดทําให้ชีวิตของเขาสะอาดแล้วก็สกัดที่แปลว่าเพิ่มพูน จากาศพอจ่ายไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ยุบนะยุบเนี่ยยุบจริงในธนาคารแต่อัลลอฮ์จะเพิ่มอีกอะส่วนอื่นๆเราไม่รู้เพิ่มสติปัญญาเพิ่มอีมานเพิ่มลูกเพิ่มความดีให้กับภรรยาเราไม่รู้อัลลอฮ์จะเพิ่มของดีๆให้กับครอบครัวเราตรงไหนท่านต้องนึกปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์ให้หมดนะครับว่าอักรบุรุษมาอักรบแปลว่าใกล้มีลูก คนใหม่นี่นะจะทำให้บริสุทธิ์ดีกว่าเกา่าหรือว่าอัฟกรอบูรุม่มหามแ ล, วล้วก็ใกล้ต่อความเมตตาของอัลลอสุภาณอูวะตาละเพราะลูกนั้นเป็นเหตุทำให้พ่อแม่จะเข้าสวารรค์ด้วยนะอา้าวอะไรบ้างลูกขอดุอาให้ใช่ไหมนบี บ, บอกว่าพอตายนะอิดามาตบานูอาดามเมื่อลูกของนบีอาดามเสียชีวิตลงนะเฉพาะศาสนาอิสลามนะ เปิดประตูให้สามช่องผลบุญนั่นส่งถึงคนตายตลอดเวลาหนึ่งสดรักกจาริยะที่เราบริจาคบริจาคบริจาคไว้คนลงมาลงมุดอราบ้าเนี่ยที่ทีทีเอ็มทีวีเนี่ยมีโต๊ะอยู่คนหนึ่งบริจาคเงินส4ี่ล้านที่อีกสิบปไร่ฉันบริจาคให้เอารายได้ของฉันนั่นไปดูแลมัสยิดกับเด็กกำพร้าไอ้นี่ชัดเลย ผู้บริจาคเขงเสียชีวิตลงนะตรงนี้ผลและบุญถึงตลอดเวลาเนี่ยสดักกตุนจารียสดักกัตที่จารีแปลว่าเดินตลอดเวลาวิ่งไหลตลอดเวลาไม่มีวันหยุดนะข้อที่สองไอ้มนยุนตะความบีความรู้ที่สอนเข้าไว้นะเด็กรุ่นใหม่ก็นำเอาไ ป, ไปเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติเอาไปสารงานต่อเอารอความรู้ที่ดีๆนะ ไอความรู้วิธีลักขโมยมันต้องไปสอนเ้าหรอกลวงกระเป๋ายางไงอ่ะรอยังไม่ต้องไปต้องไปสอนแต่ในอินเดียมีวิชานี่เขาสอนกันนะ <c oughs> อาผมพอเล่าเนิดหนึ่ง <c oughs> เขาสอนดีนะสอนเก่งมากเลยนะเอากระเป๋าสตางค์เนี่ยเดินออกมาที่บอมเบย์นะ <c oughs> เอากระเป๋าตังออกมานะ <c oughs> เนี่ยมันเป็นตังเก้อ ไอคนที่เดินคนนี้มันก็มันก็อร่อยเหมือนกันแกเขาก็ยัดใส่ลงไปในกระเป๋ามันเดิมพอตอนเย็นมันมาคุยแบบ ว, ว่าฉันเอาตังค์ใส่กระเป๋าเดินที่บอมเบย์เห็นมีใครล่วงกระเป๋าอะก็บอกล้วงแล้วเป็นเงินเกกระวา น, นี้ถ่ายไว้ด้วยโอ้จริงแฮะล้วงกระเป๋าแล้วเป็นเงินเกแล้วก็เอาเงินยัดไป <c oughs> เนี่ยเขาอสอนกันเท่นั้นวิชาเนี่ยมุสลิมไม่ต้องไม่ต้องทำใช่ไหมนี่บาปอย่างแรงฉะนั้นทําแต่ของดีๆๆๆๆอย่างเดียวข้อที่สามอะไรนะวาลาดุนซอลเหุนดาองละหูลูกที่ซอลแลกขอดูอาให้เนี่ยลูกที่นั่งๆ่งอยู่เนี่ยพ่อแม่ที่นอนอยู่ที่บ้านเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าลูกขอดูอาให้ผลละบนถึงไม่ถึงถ้าพ่อตายไปแล้วแม่ตายไปแล้ว ลูกนมาเสร็จผลบุญถึงแม่ด้วยลูกอ่านคัมรอ่านผลบุญถึงแม่ด้วยยิ่งขอดวงอาด้วยผลบุญถึงพ่อแม่ตลอดเวลาฉะนั้นวะอักรอบารุห์มาแหลกในการกล้ายต่อความเมตตาต่ออัลลอฮฺซุลฮานาหูวาจาล้เพราะฉะนั้นเรื่องตักงเดชของอัลลอฮฺเป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องกบ อ, อก็ดาเรื่องข้างหน้าเราไม่รู้แต่เราก็ตมม้มอบ ชีวิตของเราไปกับอัลลอสุบฮานาอูฮฺอาลาอะไรที่เกิดเรื่องไม่ดีนะ่ะอย่าลืมนะอาซาอันตักรอฮูชัยอันวาฮูวาค่อยรุนละกุมงานที่ท่านไม่ชอบเนี่ยที่เกิดกับเราแล้วเราไม่ชอบนั่นวาค่อยรุนละกุม้มเบื้องหลังคือของดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านอย่างมากมายอย่างเนี้ยอย่างที่สามเรื่องนี่ใช่ไม้มที่นบีคอดีเจาะเรือใช่มไหมดีไหมดี แล้วก็ฆ่าอีกเด็กอีกคนหนึ่งเพื่อจะได้เด็กมาใหม่อีแ้ซึ่งเป็นลูกที่ดีกว่าเด็กคนนี้เป็นเรื่องดีทั้งหมดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอะไรนะเออไปต้อนรับแขกใช่ไหมไปต้อนรับแขกแล้วก็ไปอะไรนะไปพยุงอะไรนะกำแพงให้ตั้งตรงเอาไว้อธิษฐานอธิบายว่าตั้งตรงทำไมเพราะใต้กำแพงนั้นมีอะไรเอาไว้อธิษฐานอินชาอัลลอ سبحانك الله أجمع وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله عليك ورحمة الله وبركاته